แต่มันมีวิธีการนับนะวิธีการนับนะวิธีการนับวันนี้ค้าวันนี้ขึ้นกี่ข้ามวันนี้สิบข้านะฮวันนี้สิบข้าเราเขียนมาเลยขึ้นใช่ไหมเราเขียนนี่ก็ได้เขียนในเนี้ยเราเขียนไปเป็นกันบ้านก็ได้ทําเป็นตัวอย่างก็ได้ขึ้นสิบข้าเนี่ยขึ้นแค่นี้เรารู้เลยว่า มันหมุนไปทางไหนถูกไหมแต่เรายังไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นการนับมันอยู่ตรงไหนถูกไหมรู้ว่ามันหมุนไปทางซ้ายนะเนี่ยหมุนไปทางนี้อันนี้เรารู้เลขอะไรยังจำทิษรู้ยังอลองไล่ดิเลขอะไรอันนี้กลากงวันกลางวันหนึ่งอะไรสีร่สเอ ห้าแปดแปอ่าท่านอาจารย์ถามว่าตรงนี้ทาตอะไรรู้ไหมเนี่ตะวันออกเฉียงใต้ทาตุตะวันตกธาตุต่วันอาทิตย์เหนือทาตุตะวันตกเฉียงใต้ทาตแต่ถ้าอาจารย์ไม่เขียนตัวเลขรู้ไหมรู้ไหมอ้าวก็บอกไปแล้วมันประจําทิศมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉะนั้น มีแค่ตารางอย่างเดียวก็สามารถรู้ได้ทั้งหมดอันนี้เอามาแทนเป็นเฉียงแค่ตัวเลขให้รู้นิมิตสิ่งที่ปรากฏนะเราสมมุติขึ้นมาให้เป็นตัวเลขนะธาตุประจนทิศมีอยู่แล้วทิศก็มีอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ต้องนับคือดิถีดิถีคือขึ้นตะแเหลงใช่ไหม แต่แค่นี้ดิถีมีแค่สองการนับนะดิถีเริ่มต้นอจดไว้เริ่มต้นพี่นะอาทิตย์เสมอหรือเลขหนึ่งเนี่ยสเสมอนะเลขหนึ่งสเสมอนะไม่ว่าจะขึ้นหรือแรมให้เริ่มต้นที่อาทิตย์หรือเลขหนึ่งสเสมอไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน นะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะนับหนึ่งใช่ไหมสองอยู่ไหนอ่านนะดูไปด้วยสอ ง, อ, งอ่านนับไปทีสามสี่สสสห้าห้าเจ็ดนะวันนี้ทาได้อะไรครับได้มาหนึ่งตั ว, ตวอ่าได้ได้แปดอันนี้ธาตุอะไรขึ้นธาตุอะไร นะอันนี้ธาตุลนมะในรายละเอียดเป็นลมพายุนะลมที่รุนแรงนะลมที่จะเกิดก็เกิดขึ้นเลยนนะนะลมตัวนี้นะอันนี้วันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีจะเกิดขึ้นในวันนี้ในเรื่องที่เราเรียนกันอยู่ก็เกี่ยวกันศนะาสตร์รีลับหรือศาสตร์ที่มีมาเก่าก่อน แล้วนำมาเรียนเปิดเผยกันที่นี้เกิดขึ้นในวันนี้และผู้ที่มาเรียนนี้ก็เป็นผู้ที่นะเหมือนว่านำไปใช้แล้วได้ผลรวดเร็วว่องไวนะอันนี้ะาธ่ตนเะมื่อวานนะที่มาเมื่อวานนี้นะก้าวขา อันเรื่องของใครที่ยังติดค้างเรื่องปัญญายังไม่เข้าใจใครที่มาเมื่อวานนี้จะ ก, กระจางปรงทั้งหมดนะเมื mm ่อวานนะอันนี้กลางวันนะอันนี้กลางวัน mm hmm. ดูนะอับกลางคืนมาดูบางคืนบ้านมาดูกลางคืนกลางคืนนะฮะสิบข้ามเหมือนกันกลางคืนเห็นยังไงอาทิตย์เลขหนึ่งอยู่ที่ไหนอ่าอันนี้อาทิตย์อะไร อ่า อ, อันนี้เลขอะไรเลขหครับอันนี้เลขทิศอะไรตะใต้ครับใต้ อ, อ่าอันนี้เลขหครับทิศอะไรตะวันออกเฉีใต้อ่าอันนี้เลขเลสกาทิศอะไรอะไรเนี่ยทิศอะไ ร, รอะไรเนี่ยตะวันออกอ่าตะวันตกมันอยู่นี่มันต้องตะวันออกอันนี้ทิศอะไรตะวันออกเหนือครับงคืนอะง อ่านิทิศอันทิหนึ่งห้าสองหกสามเจ็สิบแปดถูกแล้วจะ้ะอ่าเริ่มต้นตั้งขึ้นนับหนึ่งเสมอใช่ไหมตั้งขึ้นทวนเข็มนาฬิกาไปทางเลขอ่านับหนึ่งที่นี่ฉะนั้นตรงนี้มันคือเลขแปดใช่ไหมเพราะมันมีแปดจ่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้สิท่ิเหมือนกันอันนี้วันนะวะคืนหรอันนี้เลขเ่ยต่างกันแล้วนะสิบสองชั่วโมงนะเลขอะไรแปดคือลาหู้าบูถึงภาษานะลมนะสิ่งที่รับต่างๆเกิดขึ้นในช่วงกลางวันคือสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่นี้สิบสองชั่วโมงกลางคืนนะเรื่องของ นะคืนนี้อาจจะพิเศษจะมีการปฏิบัตินะตะมีเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานนะเกี่ยวกับเรื่องในะข้อวัดที่เราจะมาปฏิบัติกันกลางคืนนะถ้าเป็นสิบนหะ้าค่ำเลขอะไรห้าค่ำกลางคืนเนี้ยอันนี้เก้าเลยใช่ไหมขึ้นสิขึ้นสิบห้าค่ำนะ <9. S 2> เก้านับเลยเก้า <10. S 1> ่ปดแทดคำแปดอะไรที่เคลื่อนอะไรที่เคลื่อนไปอะไรที่คงที่นะภูมิคงที่ตำแหน่งเหมือนเดิมทุกสิ่งภาตคงเดิมทุกสิ่งแต่ดิธีคือขึ้นและแหลมน น, นะเคลื่อนไปวิธีการนับคือนับจากเลขหนึ่งหรืออาทิตย์ตเสมอ นับไปตามข้างขึ้นก็คือทวนเกมเดลกาข้างแรงคือตามเกมเดลกาอ้าวอันนี้ข้างขึ้นเรียบร้อยมาดูข้างแรงข้างหนึ่งดูข้างแรงนะข้างแรงกลางขึ้นแรงแรงกี่ข้ามดีอแรงสิบเอ็ดขํามกางคืนนะเอากลางคืนลืนนี่นะเอ็เนี่ยเขไม่ที่เสียอ่ะต่อ ขางแรมตามเข็มนาฬิกากลางคืนนับไปทางเลขนับหนึ่งไปทางเลขเลขแปดนะ ด, ดูดูตามตารางหนึ่งตามเข็มหนึ่งแล้วไปแปดนับหนึ่งที่อาทิตย์นะหรือเลขหนึ่งเสมอ11บเอข้าเรารู้ว่าตรงเลขหนึ่งคือเก้าข้าใช่ไหมเราก็นับตอบเลยเก้าสิบ สิบ <11. S 2> ันไหมขันไหมวิธีการนนะับขันไหมนะเก้าจะอยู่ที่หนึ่งเสมอนะสิบเ็ดนี้เป็นแรมสิบเอ็ด้มตื่นกลางคืนใช่ไหมเบกซี่อ่ะแล้วถ้าแปดํา้มล่ะเรียกอะไ ร, รนับ1อะ่ะแรมแปดขั้ม ขางคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเลขห้านะฮะแปดค่ำดังนั้นถ้าเราทาการบ้านเราจะเห็นว่านะมีสิบห้าคำไม่เกินนั้นแต่มีข้างึ้นและข้างแรมไม่เกินนั้นนะวิธีการนับเหมือนเดิมเริ่มต้นที่หนะึ 1, <ม>่งหรืออาทิตย์ นะกลางวันนะถ้าพูดถึงนะนับเริ่มต้นที่ทิศตะวันออกนะกลางคืนนับเริ่มต้นที่ทิศตะวันตกสเสมอเป็นมาตรฐานนะเป็นมาตรฐานเลยนะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็จะบอกเปลี่ยนแปลงอะไรที่คงที่ก็จะบอกว่าคงที่นะฉะนั้นคนทากันบ้านจะเห็นว่าการหมุนไปของดิฐ นะก็จะหมุนไปตามนั้นอันนี้ตัวอย่างนะอยู่ที่ความขยันนะนะค่ะขอชงมาคิด่อ่ะ้องตรอบต้งตรวจสอบ่าอ่าตรงไหนอ่าถามได้อ่าวิธีการนับวิธีการนับขึ้นแลมเสียงอ่าวิธีการนั บ, นะนบจะช้าจะชัดนะะ เออนั่นชัดเจนนะ<ม>ถ้าเป็นตัวเลข น, นะให้นับที่หนึ่งเสมอเ<ม>พราะหนึ่งนั้นนะกลางวันอยู่ที่ทิศกลางวั น, วนอาทิตย์ขึ้นต้องทิศตะวั น, วนออกนะกลางคืนทิศนะอย่าลืมนะอาทิตย์มีขึ้นและมีตกฉะนั้นกลางวันสิบสองชั่วโมงกลางคืนสิบสองชั่วโมง นะเริ่มต้นที่นะอาทิตย์หรือทิศ ต, ตะวันกลางคืนตะวันตกกอนวันตะวันออกเสมอแล้วนับไปตามจำนวนขึ้นหรือแหลมคือดิถีเริ่มต้นนับจุดนี้แล้วไปตามจำนวนนะวันนี้1ิดข้ามที่บอกกลางคืนไหมเก้าสนะิบแมกลางคืนจะนับไปจากโมงตอนทวนเข็มกับหนามเข็ม แต่ถ้าทำไปบ่อยก็จะง่ายนะถ้าไม่งนั้นนะเอารูบรัตสัดใจความง่ายไหมไอ้เจ้าช่องเหมือนกันนะอ่าง่ายเจ้าช่องเหมือนกันตะวันออกตะวันตกอ่าแล้วก็ถ้าเราไม่น่าก็เขียนตัวเลขไปก่อนก็ได้อ่าง่ายนิดเดียวเพราะมันมีเท่ากันเลยฉะนั้นเนี่ยถ้านอาจก็จะนับง่ายๆ อันนี้มันทําอย่างนี้ไม่ได้ก็เนี่ย น, นิ้โป้มีไว้ทําไมก็นับไปเนี่ยก็ที่บอกอะไรที่มันคงที่มันก็คงที่ของมันอะไรถี่เคลื่อนก็เคลื่อนไปอันนี้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นกี่ชั้นแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้มีธาตุมีชิดมีมสีสสแล้วก็มีการเลื่อน ซ้ายเคลื่อนขวาหมนุนหมนสี่แล้วนะสี่ชั้นแล้วเห็นแค่นี้มีถึงสี่ชั้นแล้วนะอันแล้วอ่าชั้นที่ห้าอ่รบละนิดหนึ่งชั้นที่ห้าอ่าคือทักษอ่าทักษามหาราชก็จะไปประกอบนะไอีก ในนี้แหละทักษาอาจดไว้ศักษามหาราชหนึ่งบริวารจดลงไปเลยนะศักษามหาราศหนึ่งบรรทัที่หนึ่งกับริวารแล้วก็บรรทัดที่สองก็อายุบรรทัดที่สามเดชบรรทัดที่สีน ส, สีสอสลาเราเรียกสีสนะีบรรทัที่ห้าวันาะยุเดชสีมูละมูละน่าที่หกผู้สาหะท่าที่เจ็ด มนตรีวันที่แปดารกินีนะทแปดทักษาเขียนมาเลยทักษาทักษานี้นะทักษานี้ใช้ประกอบนะใช้ประกอบจากภูมิและดิถีประกอบภูมิและดีถีที่นับไปตกอย่างทิศนั้นนะวันนี้กี่ข่ํา อ่ะสิบขั้มางกลางกลางคืนใช่ไหมสิบคั้มสิบขํากลางคืน น, อนนะอันนี้สิบขัก้กลางคืนเอาวันนี้เลยนะอ่ากลางคืนไปจจที่สิบขั้มคือเลขนะเขียนเลยมันจะมีไล่ไปนะบริวารที่ให้จบไปนะบริวาร น, นะอายุเนะไล่ไปตามนั้นเลยสีละสห มืเตยตาลักนี่ไปนะบริวานี้เริ่มต้นนะบริวานี้เริ่มต้นที่นะดิถีที่เรานับใช่ไหมเป็นตกที่อะไรเนี่ยเสียงเขียงใต้แล้วหมุนไปตามนะข้างอะไรเนี่ยข้างขึน้นนี้เขียนนี่ผิดนะขึ้นวันนี้ขึ้นสนะิบข้ามใช่ไหมไปเริ่มต้น บริวารอายุเดชสิงห์มะอุสาหามุนติกาลกินีนะฮะนี่คือวิธีการหมุนหมุนไปฮะถ้าเป็นข้างแรงเวลาสิบข้ามเหมือนกันอยู่ทางไหนอเป็นข้างแรงสิบข้าม 15, อ่ะอันนี้ขึ้นนะอันนี้ข้างแรงเป็นแรมแรงสิบข้ามอ่าอันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเนี่ยทักษะมหาลายเปลี่ยนไหมไหทักษาเปลี่ยนแล้ว แล้วอะไรเปลี่ยนอีกดีจีหนหมหมุนไปทางไหนเก้าสิบเห็นมนี่สิบขั้มเนี่ยสิบขั้มเป็นบริวารเห็อายุเศษเปลี่ยนยังผีมนละตะห่ามตรีกาข่างแหลมหมุนมาอันนี้ใครไม่เข้าใจใครไม่ทันถามได้เลยนะคือ ดิถีนะไม่ว่าข้างคืนและข้างแรงให้นับที่นะอาทิตย์หรือกลางคืนทิตะวันตกเสมอเป็นมาตรฐานนับไปตามจำนวนนะขึ้นหรือแรมนั้นเท่าไร่ไปตกยังทิศไหนนะทิศไหนมันจะมีท่าประจำทิศหรือตัวเลขก็เริ่มนำทักษะไปจุดตรงนั้น แล้วหมุนไปตามข้างขึ้นหรือข้างแรงนั้นๆก็จะหมุนไปนะหมุนไปถ้าทำกันบ้านจะเห็นนะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างติถีและทักษาว่ามันไปตกตรงไหนอยู่ทิศไหนเมื่อไหร่็นกลางวันและกลางคืนเหมือนกันอน่ะ เรียบร้อยหรื อ, อยางอ่าเรียบร้อยต่อไปนะต่อไปเข้าใจแล้วนะเราน่าจะเดี๋ยวจะให้ไปทํากันบ้านไม่มีปัญหาอ่าสีประจำทิศนะเดี๋ยวจะให้สีประจำทิสด้วยอ่าสีประจําทิศเป็นสีที่มาตรฐานนะอย่างเราใส่เสื้อเรามาทุกวันเนี่ยเรารู้เลยเนี่ยวันนี้ใครดีไม่ดีรู้เลยอันนี้ลบรัดนะ อันนี้กลางคืนเอากลาวันก่อนนะกัางวันสีประจำทิศอ่าสีประจำทิศเลยนะอันนี้กลางวันนะอี้สีอะไรสีแดงอันนี้ตายตัวเป่าอันนี้ตายตัวฮะอันนี้ตายตัวสีฟ้าสีขาวสันนี้สี16สีเหลี่ยมเหลี่ยมเปล่าเงินส้มดัง เทาดําเอาดําดำอ่าพี่บอกเวลานับหนึ่งนับที่กลางวันนี้ทิศตะวันออกเสมอใช่ไหมอันนี้กี่ขั้มหนึ่งข่้มกับเก้าขั้มใช่ไหยจะอยู่ตรงนี้เสมอนะจําไว้เลยเดี๋ยวนนั้นวันนี้กี่ขั้มสี่ํา้มสีอะไรเป็นบอิวารใช่ไหมแล้วหมุนไปตามข้างอะไรเนี่ย ถูกไหมถูกมนับหนึ่งที่นี่นับหนึ่งนออกอันนี้อะไรบริราวารนัเป็นศักษาไล่ไล่บริวารอายุเดชอ่าเดชไล่ไปงี้นะสีมูละละหัอะไรรีการการกละกินีการละกินีคือสิ่งที่เป็นไงดีไหมไ ม, ไม่ดีห่าไม่ดี อันนี้ดี่ะไีแดงดวันเนี้ยไม่ดีอันนี้สิบสองชั่วโมงนี้กลางวันสีแดงไม่ดีเป็นไงแต่ละกินีหมายความว่าไม่ดีไปถามว่าไม่ดีตลอดไหมไม่ใช่นะแต่ให้รู้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้ไม่ค่อยดีแน่นะมามีเรื่องแน่ทุกแน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรา นั่นดูสิ่งที่ไม่ดีก่อนแต่อะไรที่ดีสีอะไรครับอาสีคือความอุดมสมบูรณ์ความบริสุทธิ์เอมไม่ได้ให้ความหมายไปเนาะความหมายเดี๋ยวค่อยให้หลังนะอะไรคืออำนาจสีอะไรดเดชคืออะไรการสั่งการใช่ไหมคำว่าเดชนี่ทุกคนน่าจะรู้นะว่าคืออะไรา ก, การสั่งการอุส า, าหะสีอะไร ใครสีฟ้ามนตรีใครฟ้าดําเงินดีไหมดีต้้งมีสีอะไรอีกสีลายลายลาเขาหรืไอลายาค่ะนะไม่ดีเนีเย <ๆ S 1> าเป็นบริวารเป็นส่วนประกอบนะดีสีสีอะไร แ, <ม>แดงแตาสีอะไรดำดดังเินดำดให้เราเช็คมันดีสำหรับเราแต่ตัวจัดบ้าน มันดีที่สุดของเราล้วแต่มันไม่ใช่ดีที่สุดของสิ่งที่เกิดขึ้นในต่อาทิตย์มันดีไหมดีแต่วันนี้อาทิตย์โดนเม็ดบงังมันเป็นแสงไม่เต็มที่ปันป่นปั่นมิดไปเยอะเขแล้วแต่หัวใจมันเดียวไม่เห็นอาทิตย์เลยทั้งวันเ<ม>นะี่ยคืออาทิตย์โดนเม็ดบงังเกิดการณ์ที่นีคือแสดงหมดไม่ได้เลยโดนปิดหมดอันนี้เป็นต้นอันนี้ให้เห็นภาพอย่างนี้นะ อ๋อคือในหลักของรัตนยุศาสสุวรรคมคำหรือคมดีหมายถึพัที่ครูบาอาจารย์ได้กำหนดอันนี้เป็นมาตรฐานของจะว่าสารนี้ก็ว่าได้นะแล้วได้ทดลองทำการพิสูจน์มาไม่ใช่น้อยพร้อมแต่ น, นั้นถึงอาจารย์ีจะหลายปีแล้วพิสูจนที่ไรโดนทุกทีถ้าไม่ได้ทำแบบนี้เพราวะว่า ถ้าใส่สีแดงรู้สีแดงเป็นกรากิกนีวันนี้นะรู้ก็ทั้งรู้แต่ยังทำอยู่เนี่ยใสอยู่ถ้าไม่รู้ก็แล้วไปโทษไม่โทษกรรมแต่ถ้ารู้แล้วอย่างนี้นะเพราะเรามี้บูบาอาจารย์รู้แล้วทําไมไม่ทำโดนเลยไม่จํากัดสถาน ท, ที่ไม่จํากัดเวลาไปที่ไหนทั่วโลกเพราะอย่างลืมถ้าสีสีน้ํำมฝ่ายเหมือนกันทุกคนในกลางสถานนี้ นัตนกตุ้นมันจะตุ้นตัวเราเนี่ยสกระตุ้นสิ่งไหนไม่ดีมันก็กระตุ้นเหมือนกันฉะนั้นเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเรายังซื้อทําอยู่แต่คุณรู้แล้วทําไมคุณไม่ทําเพราะจริงเหล่านี้แล้วพิสูจน์การันตีมาพอสมควรต้รองฉะนั้นอย่าประมาทคาเดียวเท่านั้นคำเดียวเลยคาเดียวโดโดโดน ฉะนั้นเมื่อรู้แล้วทำเนี่ยฉะนั้นเป็นการฝึกอะไรสติคำว่ร่วมหน้าในหนึ่งละที่นี่จะสามารถดูได้ตลอดการจนกว่าไม่มีโลกและพัะจันทร์ดูแลทำได้เลยถูกแต่เราเข้านั้นที่ประมาทไม่ได้ดูอันนี่คือมาตรฐานไม่เคยนะครับว่าก่อนจะเริ่มเราจะต้องพายละลายก่อนจะเอาด้วยน้ำใช่ครับก็จะเอา อะไรที่เป็นกรทีเราอย่าอย่าไปหรือเว้นไปาะไรเป็นต้นนะอันนี้12ชั่วโมงอันนี้ยังไม่ได้ลงเวลานะยังไม่ได้ลงเวลาไปถิงอันนี้เอาแบบกว้างๆคุมไป12ชั่วโมงสาเหตุเกิดอสมมติเชียงใหม่บสมมุติเชียงใหม่ควานเยอะนะแต่ถามมันเยอะที่ไหนมันไม่ได้ควานเยอะ แต่พอเชียงใหม่มันนอาจจะเป็นเยื่ไม่เจ็มแต่บริเวณส่วนใหญ่ที่เชียงใหม่นี้ที่สุดนี่เราเรีนเรื่องของใหญ่ๆก่อนอสิ่งที่กระทบเห็นง่ายก่อนตาเห็นรู้เลยโงแล้วก็ไม่มีพลังไปแนละ้วนี่ปากกาเนี่ยปากกาใ้สีอะไรเนี่ยสีนํางเงินเข้าใจไหมทำไมที่จริงหยิบมาสองลานสีแดงอกระสีน้ำเงิ น, อ า, งงนอาจารย์เขาสีน้ำเงินเป็นไรเพราะมันสมบูรณ์ที่สุดของนี่ถามว่านั่งทับสีแดง นั่งทับไว้นั่งทับอยู่แต่ถามว่าในช่วงนี้อาจจะเห็นไหมนั่งนั่งไม่ค่อยถนดัดก็ดูดีจะนั่งขนาดได้ไงสอนอย่างนี้และแค่ <c oughs> <c oughs> นี้ไงคณะกินีนี่ยสีน้ำเงินดีไหมดีเนี่ยตาเป็นไงอายุอยู่กี่นานตีขาวเป็นไงบุละเป็นไงขาวเป็นไงบุละของเก่าอาจากไหนไม่รู้แต่สีแดงไม่ดีนะคือสิบสองชั่วโมงอันนี้คือขึ้น แล้วกงคืนเมื่อกี้สีอะไรไม่ดีเหมือนกันก็สีอะไรกลางคืนสิบข้างเมื่อกี้เนี้ยที่ที่จดไปสีแดงอีกเช่นเดียวกันถูกไหมฮก็นับกลางคืนเนี้ยรลางคืนนะกลางคืนที่ว่าบริวารอายุเด็กสีเมื่อกี้จดไปไหมไหม 5, ใช่ไหม <5. S 1> อันนี้สองหกสามเจ็ดสี่แปดอันนี้เป็นสีอะไรสีแดงใช่ไ สีส้มอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ให้ให้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวจะเขียนให้ง่ายๆดิอ่ะเจเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยงงองแน่อ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่านะสีประจำทิศไอ้ตัวเลขกันรู้แล้วนะนะกลางคืนค่ะอ่าเลขอ่าสีนี่สีอะไรแดงใช่ไหมส้มส้มอันนี้สีอ่ากลางคืนนะคืน มันจะหมุนไปทางนี้นะสีอะไรฟา้าสีชมพูสีอะไรแดง เ, เดงินสีเขียวดาเทาอ่ะวิธีการนับที่บอกนะนับที่กลางคืนนับที่ตะวันตกหรือเลขเหนึ่งเสมอไปตามะนะข้างขึ้นก็คือจนเขียนในการนับหนึ่งสองอะไรสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบฮสิบอันนี้เริ่มต้นทักษะที่บริวารเนียอายุเจดอาหมุนไปตามขั้งขึ้นนะฮะสีหูละภุณาหา์ปีตาอ่ะสีแดงย4ิบสี่ชั่วโมงเลยฮะ สีต่ำกลางวันก็โดนกลางคืนก็โดนสีดแดงนะฮะสีดแดงไม่ดีอนะสีดแดงไม่ดีดดดตาานี่สีอะไรสีขาวอันนี้ของเก่าหูละคือสิ่งที่นะ <c oughs> มีอายุ <c oughs> เก่าแก่เงินนานมาแล้วเงินะ <c oughs> เป็นไงวันนี้ <c oughs> กลางคืนสีนงเงินเป็นหูละนะฮะปากานี้ใช้แล้วถือว่าเป็นของเก่านม่ของใหม่แปลว่ายังไม่ได้เปิดนะฮะ <c oughs> อะไรใช้อยู่นี่อะไรเป็นสีกัางคืน ว, วานอายุเดดสีอะไรสิชมงผูถ้าพวกดีไซนเนอร์มาเห็นตรง น, นี้เข้านะระยุ์ไปใช้น้านตัดเสื้อผ้าแล้วมีสูตรอย่างเงี้ยตลอดการเนี้ยจะขนาดไหน <laughs> คิดแค่นี้แล้วผลนะผลถ้าใครสังเกตอาจารย์ แต่ไม่ใช่ยามเพราะพิสูจน์เอาแค่นี้ก่อนอย่างเช่นไปติดต่อประสานงานไปหาอะไรแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเจาเดดไปกัางคืนวันนี้ถ้าเอาเรื่องนี้ไปนี่ค่งไวสำเร็จไึ้ไวไม่ต้องพูดอะไรกันมากคือไปปุ๊บคุยเสร็จจบไม่ต้องไปเสียเวลาถ้ากรกิณีไปมีโปรศัพ์มากมายกว่าจะได้ช้าลำบากนะ เอาเดชไปเอาสีฟ้าไปจนคืนนะคุยอะไรแปบ๊บเดียวจบง่ายทันใจนเบอร์ที่สั่งเขาให้ทําด้วยแป๊บเดียวเสร็จเพราะอาจารย์เคยไปโรงพยาบาลเนี้ยคนเยอะมหมผ่าไปเยอะคนก็เยอะใช้เดชไปแป๊บเดียวเรื่องของสีนะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวั น, วนก็จะหมุนไปที่ไปถ้ำมันก็บริวานอายุเดชสีก็จะหมุนไปไม่ม 12สองข้างก็ไปเริ่มบริวารอายุเฉลี่ย23กอนก็จะหมุนไปตามข้างซืดแลบข้างแหลมเลยนนะพอเห็นภาพเนาะมันก็จะหมุนไปไกี่ชั้นแล้วพบทวนหนะชั้นนะหกชั้นทังเรียบร้อยอันนี้รู้หรือยังรู้หรือยังว่าจริงต่างๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างไรในแต่ละวันคือมันเป็นของมัน เป็นปกติของมันด้วยแต่เพียงเราไม่รู้เฉยๆมันเป็นผลของมันการแสดงผลของมันคือมันมีของมันมาคู่โลกแต่เราไม่ได้ศึกษาหรือรู้เฉยๆตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าจริงอะไรมากระตุ้นในเรื่องอะไรตอนนี้ทําไมป่วยพลาดอะไร<ม>ท่องในร่างกายเราก็เช็คได้จากอะไรไฟดินน้าลมอะไรดีไม่ดี ทำไมวันี้รู้สึกปวดหัวจังเราก็จะรู้ล่ะเห็นไหมเพราะอะไรหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยถ้าฝุ่นถึงนะบ้างกายตะบบไหลเกียเเ่ยวกับหัวใจเล่นนะเล่นเลยถ้าเกียวเรียกร่างกายของคนเนี่ย ห, หนึ่งเกี่ยวกับหัวใจร่างกายก่อนอวัยวะก่อนอ่าความหมายของตี๋ความหมายของตัวเลข เลขหนึ่งครับร่างกาอ่าหนึ่งคือลลอวัยวะในร่างกายนะจะนะความหมายตัวเลขดี่จะบอกให้ฟังอวัยวะก่อนนะตาข้างขวานะหลอดเลือดอันนี้อวัยวะปะเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งตัวเดียวเลยปเลขสองเกี่ยวกับ พอใจด้วยเล็กหนึ่งนะเล็กหนึ่งลงหมดเลยอ่าดวงาตาข้างขวาหลอดเลือดอ่าอันนี้คือเกี่ยวกับอวัยวะที่เรานะสมมติว่าวันนี้นะอะไรเป็นการกินีเนี่ยให้รู้เลยว่าเกี่ยว<ม>กับเรื่องนี้แน่เกี่ยวกับตั้งขาเรางหลอดเลือดมีตาข้างขวาหรือหลอดเลือดมีไ ห, หมเราเช็คตัวเองเราก่อน พรานี้รู้สึกเอ้ามันตกผลมากตรงนี้ล้วเพราะมันไม่ดีอเราก็แก้ไขได้นะตั้งลมเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอั้งลมยังไงเดิมอ่ะสองคือจันเนี่ยในสองนะย่อคือตาข้างซ้ายนี่สองสองน้ำเหลืองสามนะอวัยวะเดียว่าเพศอ้าวัยวะได้ไปใช้ก็ได้คืออวัยวะเพศรวมนะดี ือปากองส่วนหน้าเส้นประสาทนะขี้เกนะฮะห่้านะหน้านะหรือธาตุไฟแดดไฟเนี่ยะวะส่วนหลังก็คือประสาทส่วนหลังนะเยว่าประสาทส่วนหลังอกหน้าอกหาท้องข้ออุปสรรคเจ็ดนะหรือธาตุดินเท้าเท้าอะไร กระงยมตีไปพอหรอหังอ hmm. ่าเส้นประสาทไม่ใช่เส้นประสาทส่วนหลังอะไรเส้นประสาทส่วนหลังคือเลขห้าห็นไวันนี้เลขห้าอ่ยบริวารอายุเดชนะเป็นเรว่าเป็นุแรงใช่นะกลางวันนะอันีกลางวันกลงวันอะไรปรสาเดี๋ยวนะประสาาเลขสี่บริวารอายุเดชสี่ห usaha ขยันขยันเป็นบ่อยศาสตรนี้ยเป็นบ่อยบ่อยอ้าวเลขอะไรเมื่อกี้ได้บ่อยแล้วเลขเจ็ดใช่ไหมกระดูกใช่ไมเท้าใช่ไหมเลขแปอะประสาทการมองเห็นปกหมูทัดดอกไม้ตรงเนี้ยเขาเขบอกตีทัดดอกไม้เลยตลบเลยอะที่ว่าตีปกสลบเกี่ยวกับเรื่องสังขารเราที่กัรดูแลตัวเองนะ แต่วันแต่ะวันแต่ละวันอะไรเกขึ้นอะไรเราได้คือรู้ตัวเองเรียรู้เราก่อนรู้เราแล้วรู้เขาไม่ยา่าเพราะทุกคนมีธาตุสีสีน้ำลงไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันอารมณ์เช่นเดียวกันอารมณ์ก็มีเหมือนกันโกรธโลภโกรธหลงเท่ากันแต่ตัวไหนกระตุ้นมากกระตุ้นน้อยสำหรับใครเวลาไหนเมื่ อ, อไหร่บุคคลที่เรากเกี่ยวข้องไหม เนี่ยเราก็จะรู้อ ะ, เ, ออนนอะเราตอนเนี้ยระวังเราควรระวังเรื่องอะไรเออถ้าพูดถึงเรื่องนี้เอาต่อยเอาต่อยหน่อยเป็นเรื่องของเจะเรียบร้อยน้องนิสัยจริตอ่ะจริตจริตเอาจริตก่อนจริตหนึง่งปัญญาจริตอ่าคงไม่ต้องอธิบายนะปัญญาคืออะไรนะ <c oughs> สอง ยาจริตนะมายาจริตสามโศจริตอันนี้รู้ไหมโสะคือโกลนะเนี่ยเรารู้เลยว่านะแต่ละวันเนี่ยอะไรมันแสดงผลรุนแรงและไม่แสดงผ ล, ล, น, ง ล, งผลนะซี่ประาจริต คงไม่ต้องอธิบายนะคงที่ศรัทธาหนกมา ก, มา ก, มากนะกน็เรียศรัทธาพุธทธิจริตนะศรัท ธ, ธาในพระพุธทธเจ้านะพุทธิจรัทธ<อ>าภะคงรู้นะั่นคืออะไรไหมตาขะรักสวยรักงามอะไรระเบียบเรียบร้ยอยเวลาแต่งตัวนี่โอ้โหเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะอะไรราคาจริตอะไรเกิดใช่ไหมตกจริตนะ ตก จ, จริตแปดไปโมหจริตความลุ่มหลงลุ่มห ล, ลงโวเมาในใบมุกตาหูคือสิ่งที่มืดอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนเะฉะนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้นะอะไรที่เป็นมาตรฐานก็เป็นอยู่ตัวเลขที่บอกเมื่อกี้มันก็เป็นมาตรฐานของตัวเลขมันก็ยังอยู่ประจำคิศนั้นแล้วแต่ว่า อะไรฮะทักดิถีหมุนไปกับทักษะไปประกอบนั้นไปตกนะยางทิศไหนนะซึ่งตัวเลขความหมายนะทุกอย่างยังอยู่ประจำอยู่ประจำที่แต่ทักษะกับทิที่เคลื่อนไปด้วยกันนะพรุ่งนี้อาทิตย์เป็นอะไรที่เป็นขาอ่ะลองลองคำนวณ ลองลองลองดูเอาเขียนใหม่เลยก็ได้เอาเขียนใหม่เขียนใส่กระดาษเลยติ้งน้องติ้งน้องอเขียนเลยเราจะได้ฝึกไปด้วยนะเอากลางวันก่อนเอากลางวันก่อนเอเขีย น, นะเราจะได้เข้าใจทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ได้อ่านทีละตัวเอาเอาขึ้นสิบเอ็ดข้ามกลางวันขึ้นสิบเอ็ดข้ากลางวันแล้วขึ้นสิบเอ็ดข้ามกันคื น, นด้วย เออนะอนเขียนอ่ะเราจะได้เห็นว่านะอธิขึ้นอีิตกนะเป็นอย่างไรแล้วการประกอบนะใส่ลูกไปอ่านะใเสร็จก่อนเอาละอ่าวิธีการนนะับก็ให้ไปแล้วนะสูตรนะวิธีการนนะับวิธีการประกอบให้เสร็จแล้วยกมือ เอาข้างขึ้นนะเอาข้างขึ้นนะไม่ใช่เอาข้างแรนนะกลางวันและกลางคืนก็คือต้องให้ชัดเจนนะกลางวันขึ้นกลางคืนข้างขึ้นดีทีกันนับทักษนะกับสีทีต้องไปด้วยกันเสมอไปคู่กันสีทีตกที่ไหนทักษะก็ต้องเริ่มต้นที่นั่นนะ กลางวันกลางคืนนะดูให้ดีไปทางไหนขึ้นหรือแหลมตื่นเว้าข้านับจากตะวันออกไปสิบเอ็ดครั้งนงมหมุนไปตกนะเลขอะไรหรือคิดอะไรเติมต้นที่าภาษาตรงนั้นนะตรมต้นดาตรงนั้นสเสมอแล้วหมุนไปด้วยกันนะเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเฉะลยว่าใครถูก อันนี้แหละคือสัจจะนะโกหกตัวเองไม่ได้ใครที่ทำนะคือมีสัจจะต่อตัวเองนะถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดมีแค่สองขันตะอบนะตอนนี้กี่ชั้นหกเจ็ดชั้นแล้วเส็จบริวารอานะยุเดชสีนะเขียนลงไปด้วยนะใ ห, ใ, หให้เสร็จเดะเฉลยนะขาลงไปนะ้ภาษาคือเริ่มต้นที่ดิดฉีไปตก นับไปตกตรงไหนเรื่องภาษาตรงนั้นคือบริวารบานอะไรอายุเลขสี่รับสามสิมีปิเสร็จแล้วปันเสร็จไหมตำวเล็กต่องปิก่อนหมดทุกคนจะได้เฉลยทีเดียวนคือประเด็นเนี่ยต้องให้ถูกกลางวันกลางคืนกลางคืนน้าะขึ้ไม่ใช่ว่าจะเกียตัยาพูด เพราะอะไรมันจะโดนทันทีเพราะว่าอันนี้คือเราเรียนเรื่องคัวจารสิตคือคุวจาสศิตคือสจัดนั่นแหละจะ่พูดในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเรารู้ว่ามันไม่ดีอย่าพูดนี่ไงรือ้เราจะไม่พูดในสิ่งที่ถูกไหมนี่เนี่ยคือตัวตัวเองทุกวันทุก12ชั่วโมงนะวันตั้งคือเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีไม่ควรอย่างยิ่ง อี่คือเราเรียนเรื่องชีวิตจริงๆเลยที่ต้องประสบพบเจอต้องกันตัวเองนะตอบติดตอบถ้าเฉลย น, น่านจะใกล้เสร็จกันหมดทุกคนก็จะเฉลยนะโจรไม่รู่ว่าะลางวันอาเขียนวันอํา กิดข้าระจุกเกิดเป็นข้าขึ้นโจทยม์มีสติตมีส ต, ติใช่ได <c oughs> ไ้นักเรียนนีใช่ได้ไม่ไมหลงยันนี้เรียนต่อได้ต <c oughs> อบผิดนะเนี่เริ่มเนี่ยเริ่มจะใช้ส ต, ติมากขึ้นเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยครูบาอาจารย์เวลาสอนเนี่ยก็จะแกล้งผิดแกล้งถูกแกล้งอย่างไรฮะสังเกตว่านักเรียนสนใจไหมนี่สังเกตนะเป็นเทคนิคครูสอนอ่า ประเทศใดตลางนี้ถูกมฮะนี้กลางวันอเราดูนววันเลขหนึ่งดูที่ตะวันอ๋ออ่าดูนะกลางวันะวันตกเลขเจิ้งจะเข้าใจที่เหนือเลขออกเชียงเหนือเลขนะเห็นไหมเกือบลงและเกือบลงแล้วทิศใต้เลขตะวันตกเชียงเหนือ มัน อ, ออกอเฉียงใต้อ่าเริ่มเก่งเริ่มนับที่ไหนฮะหนึ่งหนึ่งหรือตะวันออกของกลางวันหรือตะวันออกนะฮะนับหนึ่งดังนั้นนับไปแล้วตรงนี้มันคือได้ ق. นับเป็นเก้าใช่ไหมเราขี้เกียจ น, นับเรารู้ว่ามันต้องมาตกเป็นเก้าถูกไหมเออก็รัดขั้นตอ น, ตอนง่ายดีสิบเห็นมเจ็ดดังนั้น นี่คือดิถีถูกไหมดีถีดิถีมาตกตรงนี้ปั๊บทักษาต้องมาเริ่มตรงนี้ทันทีนะให้เข้าใจหลักสูตรเสมอว่าทักษาต้องมาเริ่มต้นที่ทักษาให้ที่ดีถีตกนับไปถึงทันทีเฟนบอรอวานอินจ้าานี่จาแลที่เป็นถาำ อะไรดีในวั น, น, นขึ้นสิเวทธรรมนะขึ้นดีที่สุดคือสีเออให้ความหมายก่อนอความหมายรักษาเดี๋ยวไม่ได้ให้ความหมายศักษาไปศึกษามหาราชอ่ะเดี๋ยวนะศึกษามหาราชนะความหมายจดไปเลยศึกษาหลวงเขียนไปนะอ่ะเขียนตามคําบอก นะสายทักษะหลวงหรือทักษามหาลาชนี้โลกธรรมแปดนะที่ครอบนำโรคไอร่วมกับภูมิตักษกนะผ่านการนับดิถีแล้วเนียฮะเราผ่านการนับดิถีไม่ได้รลอยก็ามหมายดังนี้นะหนึ่งบริวารยังเล็กเเนี่ยบริวารคือผู้ อ, อ, อยู่ใต้บังคับบัญชา กล้า้งไปรอบข้างบ้านในต้านใายมู้อยู่ใต้บางคับบัญชาพุ้นส่วนล้างคนรับใช้<ไ>คนรอบข้างมิตรสาน<ไ>คนในบ้านนี<ไ>่เลขหนึ่งตัวเดียวนะเลขสองอายุภาพภ า, า, าอาการของโรคปานที่มาของโรคภัย ความดำรงอยู่ตางรู้ว่าอะไรอ่ะเรนนะยศนะตำแหน่งความมีอำนาจในทางสังคมการงานการเลื่อนตำแหน่งน<อ>นะสีการยอมรับนับถือทางสังคมการได้มาโดยไม่ต้องลงทุนเห็นะไหมพรนะสังคมรับสินพวกราห่าท่ามูละนะมูละอรโด ที่ใจดกระดกที่ว่าใส่หลักแหล่งต่าฐานขององค์ตระกูลโอเคสาหนะสาหน้า usaha ความขยันมันเพียากกาพยเพ้ย น, นที่ได้จากการลงทุนพฤติกรรมที่ได้กระทํความพยายามมันเพี้ยนผลที่ได้จากการลงทุนพฤติกรรมที่ได้กระทําและอุปกรณ์ในการทํางานรีคนที่อยู่เหนือใจคนอื่น ความศนาราศีตักศีไปที่อุปถัปมภาระมีนะอาระมีเนี่ยมณาระมีเนี่ยอายการินีคือเลขแปดนะประสะาทอปมงคลรูอายความสูญเสียความเสื่อมความหานะปัดสิ่งที่ไม่ปัดขนาดทั้งหลาย อ่ะอันนี้เรามาดูนะจบไปแล้วอันนี้เราอ่านได้แล้วนะอ่านสิบเอ็ดข้ามนาสิบเอ็ดข้ามอะไรที่ไม่ดีนาอะไรที่ไม่ดีสิบเ็ดข้ามเมื่อทักษาลงไปกระลักจะดีดีไหมอะไรที่ไม่ดีแม่สิบเอ็ดค้ามนับแงบริวารอยู่ตรงนี้สิบเอ็ดข้าอะไรที่ไม่ดี ตาหูไม่ดีลมไม่ดีอแล้วลักษณะของบุคคลนี่ใหยังยังไม่ได้อห้เห็นไหมถ้าเจอคนเนี่ยผิวพรรณลักษณะยังไงยังไม่ได้ให้องอ่ากระจบีกหน่อยจะได้รู้ว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแต่และ ว, วันดีไหมลักษณะเนี้ยดีไหมได้เห็นว่าคนที่มาหาเราเนี่ยเป็นยังไงอ่าเอาลักษณะของเรียกรูกประพันธ์ของคนเลยที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราเช็ค ก, ก่อนเลยเห็นปุ้งรู้เลยนะ เลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งลูก ป, ปพันธเอาลูก ป, ปพันธี่วางง่ายดีก็ใจง่ายเนาะสิ่งที่มองเห็นปุ๊เนี่ยสูงขาวดำเสี้ยอะไรพวกแบบนี้นะเลขหนึ่ ง, ง<น>ะบันนะเลขหนึ่งก็คือผิวออกดำแดงนะร่างสันณัดไปหน้าที่โดดเด่นนะดำแดงรูปร่างสัณฑ์มีใบหน้าที่โดดเด่นอันนี้คือบันของนะเลขหนึ่งตัวเดียวนะเลขสอง หิวค่อนข้างขาวเจ้าเนื้อค่อนข้างขาวเจ้าเนื้อหรือมะขามข้อเดียวจะเรียกถ้าภาษาทางภาคเหนือก็เรียกป๊อกเคยเห็นพลมะขามข้อเดียวไหมก็คือกลมขาวตัวข้อเดียวอ่ะไม่สูงไม่โปร่งไม่ป้อมป้อมอ่ะเขาเรียกป้อมอะไรถูกไหอ่าเลขสามห้าเหลี่ยมผมหยิกหยักโศกอันน้นห้ากลมรูปล่างอวกอาศอ้า หน้าขาบกว้างผมบางหรือบางทีก็องวาล่าเลยนะลักนาของเขานะหกลูปพันธ์สูงนี่เลข6ตัวเดียวนะผิวละเอียดถ้าเป็นผู้หญิงก็จัดว่าสวยถ้าเป็นผู้ชายก็จัดว่าห <นะ S 1> ล่อเลขเจ็ด น, นะลูปพันธ์นะร่างใหญ่นะร่างใหญ่กระดูกใหญ่นั่นแหละนะ กรามใหญ่แปดบนะตรับกล้ามดำตานะตล้าเนื้อสมบูรณนะ์บึกบึนนะประพันธ์อันนี้คือรูปประพันธ์อะรูปพันธะ์นเสร็จคือสิ่งที่เรามองเห็นแป๊บแต่ถ้าเรามองแล้วมันยังไม่ชัดนะเราไปดูที่บุคคลนะระดับบุคคลบ้าเลกหนึ่งนะแทนบุคคลประเภทใดจดไปเลยบุคคลบุคคลหนึ่ง นะะะะระดับบุคคลระดับบุคคลระดับบุคคลบุคคลเลดันหนึ่งเนี่ยคือระดับผู้นำระดับผู้นําเช่นนี่เช่นน้อยเช่นหน่อยตระมหากษัตริย์ลูกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าครอบครัวและระดับชั้นในการปกครองนั้นๆหมายความว่าเห็นไหมอบตอก็ต้องปีนายกบอบตใช่ไหม อ่าก็คือในหน่วยนะก็จะมีผู้นำห น, นู่งล้วเดี๋ยวเร็แต่และหน่วยก็คือผู้นำนั่นแหละ 2. องสอ ง, สองคนนะเพศหญิงหรือนะแม่เลขหนึ่งกนะ็คือพ่อนะพ่อผู้ชายพ่อนลเนะี่ยเลขสองก็คือผู้หญิงเพศสามอะไรจัดการทาหารตำรวจอักกฎหมายมคนที่ ได้โคศกอย่างเงี้ยรู้จักไ้ยโคศกพิธีกรพัในการวิทยุไปรษณีย์ตอนรับวิธีบบการคือมวลชนนะคลที่ทํางา น, นอยู่นะี่กองทนะ่าบุคคลที่เกี่ยวกันนั่คือพระ ส, สงฆ์เนี่ยพระ ส, สงฆ์อย่างนะพะอาจารย์เนี่ยนับบวช บทนี้มีหลายศาสนาหลายนิกายนะผู้อาจารย์นักวิชาการนักปากแล<ฟ>ะผู้ใหญ่ที่ให้ผู้ที่น่าเคารพนับถือปนก็คือช่างศิละปขะะนงไห น, นะนักดนตรีนักออกแบบการทา ง, งานพวกนี้นะเลขเจ็ดคือเสาค น, นคือชั้นปอน อันปน8คนก็คือรับนะสายรับโจนตาลานักสืบเพราะเลาหูไงังซ่อนเล้นดำ ม, มืดฝ่ายถ้าถ้าทางทางเราเ็าเรียกอะไรฝ่ายตาลานี่ก็เป็นใช่ไหมเป็นนะนักสืบก็ใช่เพราะว่านะโจนก็ใช่นี่นอ่าให้ไปหลายตัว แต่วิธีการอ่านอ่านทีละตัวหอ่านทีละอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นเราอยากรู้เรื่องอะไรเอาในนี้ก่อนชั่นเป็นข้านี้นะกลางวังขึ้นชั่นเป็นข้าเราอยากรู้ส่วนไหนในตารางนี้เราเป็นคนถูกคิดหรือตั้งคําถามให้กับตัวเองได้อะอมาตพอย ต้องไหนก็ได้ออมาจากข้ออาุณเล็กว่าไงอ่าเล็กบอันนี้คือเรื่องที่แม่เล็กโบอันนี้คือกระตุ้นออกมาจากใจแล้วผ่านมาเป็นเสียงคือปากครับออกมาแล้วคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดกระตุ้นรุนแรงและออกมาให้เห็นปัจจุบันปกคืออะไร เลขหกตัวเดียวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินคธนาคารอจดไว้ด้วยนะเลขหกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินธนาคารนะอาจารย์ใหญ่ว่าอะไรนะโอดีโอดีฮตัวนี้หกตัวเดียวเนี่ยมันหมายถึงอย่างนั้นแล้วหกตัวนี้เงินจํานวนมากเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับธนาคารเลยนะเงินจํานวนมากหมาย ผู้สาหาเป็นไงฮะเมื่อกี้นี้ที่ให้ความหมายไปแขวนมันเพียนใช่ไห ม, ไมนะมฉะนั้นผุตสาหาเนี่ยไปกันง่ายมีความภาพเพียนแขวนในการที่จะหาเงินแล้วจํานวนมากนั่นคือสิ่งที่ฉุดคิดออกมาแล้วเปิ ด, ดออกมาอันนี้หนึ่งเรื่องฉะนั้นไม่แตกต่างทําไมอาจารย์ที่มาเมาื่อวานนี้ถ้าใครมาคุณได้ผุ้สานสามคน มันเกิดภาพเกิดเกิดมาอย่างนี้เลยอันนี้เรียนมาเรียนมาก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาฉุดคิดมันอยู่ทิศไหนเวลามันมีอะไรดีไม่ดีตรงไหนใช่ไหมตึงมาตามเวลาตามวันแค่นั่นดูตัวเราดีสำหรับเราวันไหนเวลาไหนเมื่อไหร่สีอะไรทิศไหนออกไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะป้องการตัวเองก่อนเป็นระดับแรก ให้เกิดไปอยู่กับตวเองเป็นปรดับสองนะ